อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี่เราก็นะได้กล่าวสัจวาจาว่าเนี่ยสาระอื่นของเราไม่มีนะพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เจ้านี่เป็นสาระนประเสริฐของข้าพเจ้านะด้วยการกล่าวคําสัตนี้ข้าพเจ้าจึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดานะีเสร็จแล้วก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าพูดว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า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 เป็นสิ่งตอกย้ำนะก็คือการที่เรานับถือพระรตนาตรายเป็นสารณะอันประเสริฐนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นับถือนะแต่ว่าขนขวายด้วยนะนะข้าพเจ้าพูดว่าอยู่ซึ่งพระเจ้าขนขวายบุญใดในบัดนีนะ้ขนขวายก็คื อ, คอว่าได้ได้ภาคเพียรพยายามนะก็อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแทงบุญนั้นนอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักการหรือว่าเป็นท่าทีนะของชาวพุทธเพราะชาวพุทธเนี่ยเราไม่จะไม่จะไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอำนาจดลบันดาลของเทวดาทั้งหลายเนเราจะพึ่งแต่พระพุทธธรรมประสงค์ หรือว่าหากเกิดมีเหตุเพศภัยนะและปรารถนานะอำนาจดนบรรดาลที่จะช่วยเราปลอดภัยนะนะชาวพุทธสมัยก่อนก็จะ ก, กระทาหรือบาเพ็ญสัจจ ก, กิริยานะขออ้างเอาคุณงามความดีที่มีอยู่นะหรือว่าเอาการประพฤติปฏิบัติที่ได้ทำจริงเนี่ยนะมา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 แล้วก็กำลังจะตายนะพิษมันแรงมากนะอสารพิษนี่ตอนนั้นก็มีคนอยู่ในเหตุการณ์ก็คือพ่อแม่แล้วก็มีบรรประชิตหรือนักบวชนะสมัยนะั้นยังไม่ได้เป็นพระนะยังไม่มีพระนะทั้งสามท่านนี่เขอ้างสัจจริยานะเช่นนักบวชเนี่ยนะซึ่งก็คือพระปทิสันนั่นแหละ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 มีความสุขความเจริญนะก็จะขอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยนะนะไปไหว้เส้นไหว้เทวดานะไปสารพระพรหมนะหรือว่าไปกราบไหว้พระนารายณนะ์เดี๋ยวนี้ก็ไปกราบไหว้พระพิฆเนศนะตอนหลังก็พระลาหูแล้วตอนหลังก็ไปถึงชูชกก็มีนะไปกราบไหว้ชูชก ไม่รู้ว่าชูชกนี้มีคุณความดีอะไรที่จะทำให้เรานะเชื่อในเราเชื่อในเราเชื่อในอำนาจของคุณงามความดีนะถ้าหากว่าไม่ได้บเรราเพ็ญสัจจ ก, กุริยาก็ยังสามารถที่จะทำความดีอย่างอื่นได้เนะช่นการให้ทานการรักษ า, ก า, รราสิ่งการภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน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 ลำเปลยไอ้ตอนที่คิดแบบนี้ขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่าจนตรอกนะก็คิดว่าถ้ า, าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะสารพระพจะปลดปาลาวช่วยทำให้ประสบสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้มีหลวงพ่อหนึ่งท่านเล่านะมีวันหนึ่งก็มีโยมมาถวายสังกฐานเครื่องสังกฐานนี่ก็ ก็มีหลายอย่างนะแต่ที่แปลกใจคือว่ามีอหนังสืออเป็นนิตยสารนะหลายเล่มทีเดียวนะพร้อมกับเครื่องสังกทานหลวงพ่อท่านกุฎ ด, ดูหน้าปกแล้วก็รู้สึกว่ามันวบับแบมแ บ, บนะโยงก็บอกว่าหลวงพ่อเปิดหน่อยสิหลวงพ่อก็ก็ลองเปิดดูนะเพราะว่ามันเป็นอ่า นิตยาสารปลุกใจเสือป่านะหนังสือ ป, ป่อปูยง่ายท่านก็รีบปิดเลยนะส่วนโยมเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเปิดอ่านหน่อยนะอ่านทั้งเล่มเลยนะนี่สังฆทานนะหลวงพ่อท่านกระถามว่าอ่านทำไมมันไม่ดีมันไม่เหมาะแกก็เล่าว่าเนี่ยแกไปไปบนนะสารรสารพ ร, ระพรหมนะแล้วก็บอกว่าถ้าแกได้อ่อ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 ใช้วิธีการบนบานสารกล่าวาแล้วก็โดยที่ไม่ได้ดูความเหมาะสมเลยว่าให้แค่ บ, บนบานสารกล่าวนี่ก็แย่แล้วนะแถมยังยังติดซินบนนะสายประพมด้วยการลำเปิ้องผ้าเงี้ยนะเสร็จแล้วค่อยมารู้สึกละอายใจหรือว่ า, อ, าอับอายภายหลังให้ชาวพูดเราเนี่ยเรา ถ้าหาว่าเราต้องการนะความสําเร็จต้องการความสุขความเจริญนะเราจะไมนะ่บทบานสารกล่าวนะแต่ว่าเราจะลงมือทําด้วยความเพียรของเรานะขณะเดียวการก็ทําความดีด้วยเนะพราะเราเชื่อว่าความดีคือบุญกุศล น, นั่นก็ทําใหนะ้เกิดอํานาจนะในทางที่จะช่วยทําให้เกิด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 นะความดันขึ้นนะมีความกลุ่ม อ, อกกลุ้มใจนั่นเป็นพ่ออะไรนะเป็นพาะใจของเขาเนี่ยนะขาดธรรมะที่จะช่วยรักษาใจก็อนะาจจะไม่รู้จักพอในสิ่งที่ได้มาไม่มีความสันโดษนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจนะอันนี้ก็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 อาหารที่เขาขากนะขากถุยนะควัวหรือไม่ที่เราจะเก็บเอามากินนะอย่าว่าแต่อาหารที่เขาค า, ายลงพืชเลยนะอาหารที่เราเคี้ยวอยู่เนี่ยนะจะเป็นไก่ย่างจะเป็นผูฉลามจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราเคี้ยวเคียวตอนที่เคี้ยวนี่อร่อยใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคาย ใส่จานเนี่ยเรากล้าที่จะกินอ่าอ่ากล้าที่จะเอาใส่ปากกลับไปใหม่มไหมนขนาดอาหารเศษอาหารหรือว่าไม่ใสรเศษอาหารด้วซ้ำอาหารที่เรากาลังกินอยู่นี่แหละเราคายออกมาเนี่ยนะควรส่วนใหญ่จะไม่กล้านะปากใส่ปากเข้าไปใหม่เลยแต่ทําไมเราถึงเอาเสร็อาหารของคนอื่นที่เขาคายทิ้งนะ มาเก็บใส่ปากเราไอ้คำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยนะที่เขาต่อว่าด่าทออะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ต่า ง, างจากเศษอาหารนะทำไมเราต้องเอามานะเก็บมาใส่ปากก็ด้วยปากในที่นี้เนี่ยก็คือใจนั่นแหละนะอยากเก็บมาไว้ที่ใจเราต้องทิ้งมันไปแต่ถ้าใจแล้วไม่มีสตินะมันก็จะไ ป, ไปช่วยไปเก็บเอามาใจที่ไม่มีสติมันก็จะไปช่วยไป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 คนเรานะมักจะปล่อยให้จิตใจเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะเพราะว่าไม่รู้จักหาสติมารักษาใจนะมันมีนิทานอันนึงนะที่พูะเจ้าตรัสสอนพระเนี่ยน่าสนใจเป็นเรื่องของนกเหยี่ยวนะเหี่ยวกับนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกมูลไถ่นะนกมูลไถเนี่ยนะมันคือนกที่มันชอบหากินตามกองดิน ที่เกิดจากรอยไถเนี่ยก็เรียกมูไนไถ่บอกว่านกไอ้นกมูนไถ่เนี่ยมันเกิดพลาดท่าโดนเหยี่ยวเนี่ยนะจับเอาไว้ได้ขณะที่มันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยมันก็ร้องคร่ำครวญมันก็พูดขึ้นมาให้ให้เหยี่ยวได้ยิตว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าพเจ้านะไปหากินในถิ่นที่ไม่ใช่ดินแดงของบิดา จึงถูกจับพลาดท่ากับนกเหยี่ยวถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะได้หากินอยู่ในดินแดงของบิดาก็จะสู้เหยี่ยวได้อย่างแน่นอนไอเหยื่อมันได้ยินเนี่ยนะมันก็สงสัยว่าหมายความว่ายังไงนะไอดินแดงของบิดาของเจ้าเนี่ยคืออะไรเหยื่ยอนกมูลถ่าก็บอกว่าก็เป็นมูลดินน่ะ เป็นมูลดินที่เกิดจากรอยไถนั่นแหละเป็นดินแดงของบิดาของข้าพเจ้านะเหย๋ยวเนี่ยมันโดนนกมูลไถเนี่ยท้าทายว่าถ้านกมูลไถ่นีไ่ได้หากินในดินแดนที่เป็นของบิดาเนี่ยก็จะสู้เหยื่วได้เหยื่อนี่ยมันก็อยากจะพิสูจน์ว่าไอ้นกมูลไถยนี่มันแน่จริงหรือเปล่า<ๆ>ก็เลยปล่อยนกมูลไถยไปตรงตรงตรงกองดินที่เป็นที่เกิดจากรอยไถนะ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 ใช้ใจของตัวเองเนี่ยฝึกใจเนี่ยให้รู้กายนะเวลาทําอะไรใจก็รู้นะเวลามีเวทนาเกิดขึ้นใจก็รู้เห็นไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้พูดแบบภาษาหลวงพ่อกาเขียนนะเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือเวลาจิตมีราคะมีโทสะนะก็รู้นะพูง่ายคือว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจ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 แม้จะทําเพียงแค่ช่วยชั่วดมดอกไม้หอมเนี่ยนะมันเมียนิสงขนาดนั้นหรือว่าการเจริญอันนี้อันนี้จะสัญญาการเจริญอันนี้จะสัญญาคือาการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารนะว่าสังขารทั้งปลายทั้งปวงไม่ว่าภายนอกภายในมันไม่เที่ยงเนี่ยเพียงแค่อชั่วนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเป็นแค่รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเมียนิสงมากกว่าการถวายทาน แก่สงฆ์ที่มีพระตุลาจาเป็นประธานด้วยซ้ำนะหรือมีอ น, นิสงส์มากกว่าการถวายทานแก่พระอรหันต์หนึ่งร้อยลูปนะพวกเรานี่แค่ได้ถวายทานแก่พระอรหันต์แค่รูปเดียวนี่ก็ถือว่าได้บุญมากแล้วนะแต่ว่าจะได้มีโอกาสถวายทานพระอรหันต์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าหายากนะแต่แม้กระนั้นเนี่ยถึงแม้จะได้มีโชคดีนะถวายทานแก่พระอรหันต์หนึ่งร้อยลูกเนี่ยก็ยัง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 เคยอาจจะเคยคิดว่าเนี่ยถ้ามีเงินมากนะหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากได้ไปเที่ยวห้างได้ดูหนังเนี่ยจะทำให้มีความสุขนะอย่าไปคิดว่านั่นคือรางวัลนะของชีวิตเป็นระงวังของจิตใจนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นของแท้อาจจะดีใจหรือมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วก็เบื่อนะตอนที่ตอนที่ได้ดูได้เสพก็มีความสุขนะแต่พอ